เทศวันที่14มีนาคม2507ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีการเกิดเป็นมนุษย์เกิดยากเกิดไม่ถูกช่องถูกทางกลายเป็นสัตว์เกรัานไป มีจำนวนไม่น้อยสัตว์อิญญานทุกประเภทและทุกทุกตัวเราอยากเข้าใจว่าเขาไม่เคยเป็นมนุษย์และผู้เป็นมนุษย์ทุกชาตทุกคนก็อยากเข้าใจว่าตนไม่เคยเป็นสัตว์ เพราะเหตุว่าเรื่องของกรรมไม่ว่าสัตว์ไม่ว่ามนุษย์มีได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อคำว่ากรรมเป็นของมีอยู่กับมนุษย์และสัตว์แล้วกรรมชั่วกรรมดี ต้องมีอยู่กับมนุษย์และสัตว์ได้เหมือนกันเมื่อกมดีกับกมชั่วมีอยู่ในมนุษย์และสัตว์ได้สัตว์กับมนุษย์จึงมีทางที่จะแปลสภาพพบชาติของตนให้เป็นต่างๆได้ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจริงสอนไม่ประมาทในเรื่องหลักของกรรมที่จะเป็นแนวทางให้ไปสู่สถานที่และกำหนดต่างๆผู้ทิพ ความอับจนคนแฉนทั้งๆ ท, ที่เป็นมนุษย์อยู่ก็ดีผู้ที่ได้รวมตัวลงไปในกำเนิดอันต่ำสัตส์เดี้ยาฉานก็ดีและผู้ที่ได้พลาดลงไป ในภูมิอันต่ำยิ่งกว่าสัตว์ในฉั น, น, นก็ดีและผู้ที่มีกำเนิดอันสมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์พร้อมกับอำนาจมัทนามีความรู้ความสลาดและสมบัติเงินทองเป็น เครื่องเพิ่มเกียรติของมนุษย์ก็ดีแับผู้จะเป็นศาสด า, า, าของโลกเช่นพระสิท ธ, ธาราชกุ ม, มารก็ดีผู้จะเป็นผู้เป็นสาวกอรหันของพระพุทธเจ้าก็ดีทั้งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ เป็นผลของกรรมที่ต่อเนื่องมาจากหลักเหตุที่ดีชั่วซึ่งตนได้สั่งสมไว้แล้วที่คิดมาแต่ตนไม่สามารถจะทราบในหลักเหตุที่ตนทำไว้มากน้อยในภพในชาตินั้นเท่านั้นดังนั้นที่พระพุทธเจ้า ท่านทรงสั่งสอนเสมอว่าสัตว์ผู้ข้องอยู่ในภพในชาติหรือในความเป็นของตนท่านทรงหมายถึงเรื่องความเป็นมาของตนทางนั้นแต่ละหลายลหลายคือไม่ทราบร่องรอยความเป็นมาผ่านมาของตน ที่เป็นฝ่ายดีและชั่วจึงให้เป็นเหตุให้มีความสงสัยในความเป็นมาของตนและความเป็นไปความเป็นอยู่ของตนไม่มีใครจะสามารถตัดสินตรงได้ตามหลักความจริงที่เป็นมาของตนเช่นพวกเราทั้งหลาย ได้ก้าวเข้ามาสู่ความเป็นมนุษย์นับบัดนี้ด้วยกันทุกรายก็มมีโอกาสจะทราบได้ว่าได้ก้าวมาจากกำเนิดไหนจึงนี่ปรากฏตนเองในอาถาพมนุษย์เช่นนี้และเมื่อก้าวจากอัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์นี่แล้ว จะไปสู่กำเนิดกำเนิดใดนี่ไม่มีใครสามารถจะทราบได้เพราหลักของกรรมที่เป็นเครื่องฝังอยู่ภายในยใจิตใจอันเป็นตัวเหตุแห่งกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมากมายตนเจ้าตัวไม่สามารถจะทราบได้ในความสังสมของกรรมของตนเอง นี้ทะียกว่าหลักลึกลับแห่งวัตัุได้เจลักความหมุนเยียนของใจที่เป็นไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนตลอดพบตลอดชาติตลอดกลับตลอดกันเป็นไปจากใจดวงนี้ทั้งนั้นดังนั้นการสร้างคุณงามความดี เพื่อจะเป็นเครื่องประดับจิตใจหรือเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้เป็นไปในทางที่ถูกและเป็นความสุขความเจริญแก่ตนเองในระหว่างแห่งพบนั่นนั้นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงไม่ทรงละจำต้อง สั่งสอนจัดทั้งหลายผู้เป็นเจ้าแห่งกรรมด้วยกันให้ได้ทราบถึงหลักแห่งความดีและคชั่วว่าเป็นมาจากอันใดและผลแห่งความดีความชั่วถึงกับกลายเป็นความสุขความทุกข์ขึ้นมาให้เจ้าตัวได้สวยนั้นว่า สืบเนื่องมาจากอะไรหลักของพระพุทธศาสนาจึงทรงชี้ลงในเรื่องของกรรมทุกทุกพระพุทธเจ้าบรรดาที่เป็นพระพุทธศาสนาและเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาคิด บัญชีของตนเองเช่นนี้ชื่อว่าเราได้นำอัตภาพและชีวิตจิตใจที้มาเพื่อมีคุณค่าราคาภายในตนที่ไม่ได้คิดบัญชีในความเป็นมาความเป็นอยู่ของตนจนหมด ทั้งชาตินั้นก็มีจำนวนไม่น้อยคำว่าคิดบัญชีคืออะไรได้แก่คำนวณถึงเรื่องรายได้มากได้น้อยเสียมากเสียน้อยของตนที่ได้เคยกระทา ม, มานับตั้งแต่วันรู้จักเอียงสาภาวะจนกระทั่งบัด น, นี้ ว่าได้หนักเบาไปแงไหนแล้วก็พยายามดัดแปลงหรือซ่อมแซงแซมสิ่งที่บกพร่องเพื่อให้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาเช่นท่านทั้งหลายในอุตสาหาสะสลักในล่ำเวลาจิจการงานทุกด้านตลอดถึงทรัพย์สมบัติที่มีค่ามาก มาสู่สถานที่นี้เรียกว่าสละจิ่งที่มีคุณค่าทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อคุณค่าอันใหญ่หลวงภายในตัวเองดังนั้นจรหน้าอนุโมทนาอย่างนี้หากว่ามีท่านผู้สนใจใครต่อหลักธรรมคำสอนของพระพุจจา เพื่อนำไปพินิษพิจารณาคิดบัญชีในตัวเองให้ทราบรายได้เสียมากน้อยมีจำนวนมากเท่าไหร่โลกนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเหยงไม่น้อย และคุณะบุตรสุดท้ายภายหลังที่จะถือเอาเป็นคติเชิงอย่างอันดีก็จะไม่ต้องเสาะแสวงหาที่ไหนให้ลาบากยากเย็นเียใจจะยึดหลักฐานจากเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่พาดําเนินอยู่แล้วเป็นประจําแต่ละท่านละท่านบรรดาคุณระบุตรสุดท้ายภายหลังจะไม่เป็นผู้ขาดแคลน ในความประพฤติที่เป็นผลประโยชน์ทั้งฝ่ายโลกและทางด้านธรรมะภายในใจที่โลกได้เกิดความโกรธหนวุ่นวายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ถ้าเข้ากันไปหมด ด้วยการหาทางออกจากความวุ่นวายเหล่านี้ไม่ได้ก่เนื่องจากว่าหาหลักฐานพยานเครื่องยึดเหนี่ยวภายในใจนั่นเป็นการหายากนั่นเองสิ่งใดที่ มีน้อย่งนั้นท่านเรียกว่าเป็นของที่มีคุณค่ามากและหาได้ยากเลยแต่ถ้ามีมากแล้วก็หาได้ง่ายฉะนั้นคนที่ดีจัดว่าเป็นคนมีคุณค่าจึงเป็นคนที่คนที่หาได้ยากมากยิ่งกว่าหาสิ่งอื่นใด้ เราจะหาทรัพย์สมบัติเงินทองเพชรนินจินดานเพียงก้าวเข้าไปสู่ห้างร้านต่างๆเท่านั้นจะเกินไปหมดตั้งแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นจะซื้อเอาสักเท่าไหร่ก็ได้เพราะของมีมากแต่จะหาคนดีเพื่อเป็นศิริมงคล ประจำบ้านประจำเมืองประจำวัดวาวัาศาสนาเป็นของที่หาได้ยากมากเพราะไม่มีตลาดด้านพลาหมอนสิ่งทั้งหลายที่กล่าวผ่านมานีเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจรึงไม่ควรจะคาดหมายในการจะแสวงหาความดีจากสถานที่หรือจากห้างร้านต่างๆ โกรดได้ย้อนเข้ามาหาคุณงามความดีภายในตนคือพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้ดีขึ้นมาโดยทางความประพฤติทางกายทางวาจาทางหนาจิตใจโลกก็จะเริ่มมีคนดีขึ้นมาแต่ละลายละลายกลายเป็นโลกที่เต็มไปด้วยคนดี มีอยู่ทุกแห่งทุกหนไปที่ไหนก็ไว้วางใจกันได้โลกถ้ามีธรรมเป็นเครื่องบำบ u l o จิตใจของคนเราโลกก็มีความเจริญคนก็มีความร่มเย็นเป็นจุดถ้าว่าโลกได้ขาดธรรมเป็นเครื่องบำบ u l o จิตใจเสียการใดแม้สมบัติภัสถาน จะมีมากน้อยเท่าไหร่โลกจะเต็มไปได้วยความเดือดร้อนหุ่นวายอยู่ไม่มีเวลาที่จะมีความสงบเยือกเย็นภายในใจได้หากว่าโลกจะเป็นไปจะเป็นความสุขความเจริญเข้าถึงจิตถึงใจ ได้ด้วยด้านวัตถุถ่ายเดียวแล้วโลกนี้เป็นโลกด้านวัตถุทั้งนั้นเรียกว่าเป็นโลกวัตถุมองไปที่ไหนก็เกลื่อนเต็มไปหมดทั่วทั้งแผ่นดินแต่ทั้งมนุษย์และสัตว์ซึ่งก็เป็นด้านวัตถุด้วยกันก็มีความเดือดร้อนอยู่ทุกแห่งทุกคน ฉะนั้นเราไปที่ไหนจริงได้ยินแต่เรื่องความบกพร่องขาดเคินความทุกข์บนเพื่อกันทุกกรอกทุกถนนหนถามไม่ว่าบ้านนอกในเมืองไม่ว่าในป่าในเขานอกกรุงในกรุงเต็มไปได้วยความเดือดร้อนวุ่นวายด้วยกันทั้งนั้นทั้งๆ ท, ที่วัตถุซึ่งเป็นที่มนุษย์ทั้งหลายมุ่งหวังก็มีอยู่อย่างสมบูรณ์ นี่เพราะขาดทำเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจใจจึงหาขอบเขตไม่ได้กลายเป็นความร้อนบนขึ้นมาภายในตัวเองทั้งๆที่สิ่งทั้งหลายที่โลกถือว่าเป็นสมบัติอันพึงพอใจของโลกมีอยู่อย่างสมบูรณ์แต่การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้มีการประมาท ทางด้านวัตถุว่าไม่เป็นประโยชน์แก่โลกในขณะเดียวกันโลกเราอยู่ได้ด้วยด้านวัตถุถ้าขาดด้านวัตถุเสียโลกจะเป็นโลกไปไม่ได้เหมือนกันเช่นบ้านเรือนข้าของเงินทองอาหารการบริโภคมีข้าวเป็นต้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นวัตถุ สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายของมนุษย์เราและสัตว์ให้มีความเป็นดีได้โดยสุดอย่างสุดชื่อแต่ที่กล่าวว่าโลก ห, หาได้มีความเจริญเพียงด้านวัตถุด้านเดียวเท่านั้นไม่นั้น เราวเพื่อจะให้เรามีความสมบูรณ์ทั้งด้านวัตถุด้วยให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยผู้จะแสวงหาทรัพย์สมบัติก็ต้องมีความตะเกียบตะกายคือมีความขายันหมั่นเพียรไม่ต้องถือความร้อนความหนาว ถือแดดถือฝนเป็นอุปสรรคต่อหน้าที่การงานของตนถึงเวลามเวลาหรือความจำเป็นเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วต้องจัดต้องทำเท่าที่ความจำเป็นนั้นจะลุล่วงไปได้หรือถึงความจำเป็น เมื่อโลกได้พยายามประเกียกตะกายถึงขนาดนั้นด้านวัตถุก็ต้องเป็นไปเพื่อความเจริญในผู้นั้นๆทีนี้ด้านธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันการปฏิบัติธรรมะเพื่อมีความเจริญรุ่งเรืองเย็นอกเย็นใจภายในตัวเราก็ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร บวามอุตสาพยายามตะเกียบตะกายใกลยไม่ได้ว่าใกล้ไม่ได้ว่าร้อนหนาวไม่ถือเป็นอุปสรรคจําเป็นจะผลก็ตามจะแดดก็ตามจะร้อนจะหนาวก็ตามหน้าที่ที่เราจะต้องดําเนินทางด้านธรรมะเพื่อเป็นสมบัติของใจเช่นเดียวกับสมบัติภายนอกนั้น เราต้องถือเป็นความจำเป็นเช่นเดียวกันเมื่อเราได้ถือเป็นความจำเป็นเช่นเดียวกันและก็ปฏิบัติหน้าที่ทั้งสองด้านนี้ให้มีความสม่ำเสมอไปเช่นเดียวกันผลที่จะพึงได้รับสมบัติภายนอกก็พอเป็นไปสมบัติภายในใจได้แก่ธรรมะ ก็ทำใจของเราให้เยือกเย็นเรื่องความทุกข์ความร้อนทั้งหลายที่เคยเป็นเจ้าเดือนอยู่ภายในกายและจิตใจของเราก็จะนับวันลดน้อยถอยลงไปคนนั้นก็จะเห็นความเจริญรุ่งเรืองภายในตัวเองพระศาสนาก็จะปรากฏว่าเป็นของมีคุณค่าแก่บุคคลผู้ปฏิบัติตนเช่นนั้น พระพุทธเจ้ากว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงอิดถึงใจก็ดีพระธรรมที่จะปรากฏให้โลกทั้งหลายได้เคารพสักการะบูชาก็าดีพระสงฆ์สาวกที่ปรากฏชื่อดื น, นามมาเป็นผู้ประเสริฐ เนี่ยเป็นแสนะของโล ก, กดีเป็นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อไม่ถอยจนกลายเป็นแสนะสมบูรณ์ของโลกได้นี่เป็นแสณะประเภทเนะ่ะที่เป็นเข็มทิศทางเดินของพวกเราเพื่อให้ประจัด เสนภายในได้แก่พุทธธรรมะสังฆะอันจะเกิดขึ้นด้วยข้อปฏิบัติเนื่องมาจากเข็มทิศทิ่คือแนวทางได้แก่เสน่ห์ที่กล่าวมาแล้วนั้นคำว่าพุทธภายในหมายถึงใจดวงนี้พยายามอบรมตนของตน ให้ใจได้รับความสงบเยือกเย็นธรรมะที่เป็นผลตอบแทนจบเริ่มฉายแสงออกมาให้ใจของผู้บำเพ็ญ น, นั้นได้รับความสว่างสวัยภายในตัวยองคำว่าสังฆะเราจะกลายเป็นเจ้าของสมบัติอันมีค่าขึ้นมา ภายในพุทธกับธรรมะนนี้เมื่อชีวิตของเราในพบในชาติหรือในอัตภาพนี้ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับเข็มทิศคือพุทธธรรมะสังฆะของพระพุทธเจ้าภายในจิตใจแ้ว จิตของเราที่ครองอัตภาพอยู่นี้ก็จะมีความองอาจกล้าหาญภายในตัวของตัวทั้งที่มีคิดอยู่นี้ทั้งที่จะล่วงจากอัตภาพนี้เข้าสู่พบหน้าสิ่งที่เราพึงมุ่งหวังได้แก่กำเนิดอันดีมีความสุขความเจริญ นี่จะเป็นสมบัติของเราผู้ที่บำเพ็ญธรรมะภายในใจโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นโปรดได้พากันพยายามหาสิ่งที่มีคุณอันล้นค่าภายในตัวของเราให้ได้อย่าให้ได้ผ่านไ ป, ปเปล่าๆในวันหนึ่งคืนหนึ่ง อย่าให้ขาดกิจภายนอกมีความจำเป็นแค่ไหนกิจธุระหน้าที่ภายในคือการอบรมจิตใจของตนให้มีความจำเป็นแค่นั้นสมบัติทั้งสองประเภทคือสมบัติภายนอกกับสมบัติภายในจะ ก, กลายเข้ามาเป็นสมบัติของเราผู้เดียวคติที่เราจะไปข้างหน้า อันเป็นคติที่เรามุ่งหวังนั่นก็จะกลายมาเป็นสมบัติของเราอีกในพบหนึ่งหนึ่งที่สืบต่อกันไปเป็นลํำดับนี้จะเป็นพบเป็นกําเนิดที่เต็มไปด้วยจริงที่มีคุณค่าภายในตัวของเราเองเมื่อมีทำเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วผลจะต้องเป็นเช่นนั้น ทุกพบทุกชาติไปจนกว่ากว่าว่าเราจะมีความสามารถอำนาจวัสนาเพราะการอบรมตนของตนสืบเนื่องลื่นนุนกันเป็นลนำหนับไปจนถึงขั้นที่สุดท่านเรียกว่าวิมุตพรนิพพานได้จากธรรมชาติที่ตัดความกางังวล ของใจออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดที่จะเป็นเชื้อหรือเป็นสื่อให้เราได้ไปสู่พบสู่ชาติอันจะเป็นเหตุหรือเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ขึ้นมาอีกต่อไปเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคอย่าง ทีเยพยายามบำเพ็ญพระองค์ท่านมาจนสามารถได้ผ่านพ้นบ่อแห่งความกังวลคือการเกิดตายนี้เสียได้เรื่องความทุกข์ซึ่งเป็นรอยตามตัวกับความเกิดความตายนี้จะไม่ปรากฏในกิจที่บริสุทธิพุทธโธดวงนั้นนี่ที่ว่าท่านข้ามวัฏฏนะนด้ ไม่ในหมายถึงข้ามมหาสมุทรทะเลที่ไหนข้ามมหาสมุทรมหานิยมภายในจิตใจของตอนนี้เท่านั้นเมื่อในข้ามบอยความกังวลที่เคยเป็นมาอยู่ณนะภายในใจนี้ได้แล้วจะเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามจะเป็นสันธิฏฐิโกคือรู้เรื่องของตัวเองและจักใจ ทั้งทงที่มีชีวิตอยู่ว่าพบชาติที่จะไปสืบต่อข้างหน้านั้นเป็นไปได้เพราะเหตุใดและจะไม่สืบต่อไปได้อีกนั้นเป็นเพราะเหตุใด<ม>เรื่องสันทิฏิโกจะเป็นเครื่องกระทับภายในจิตใจของผู้นั้นโดยแน่นอนไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายลักบวชและคารวะเพราะเรื่องของจิต ไม่ปรากฏว่ามีหญิงมีชายที่ไหนนอกจากเป็นความรู้ถ้าหลงก็หลงด้วยกันถ้ารู้ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ได้ด้วยกันแล้วก็พ้นไปได้ด้วยกันม้หากว่าเราจะยังไม่ถึงจิตขั้นอันสมบูรณ์นี้เรื่องความดีทั้งหมดที่เราได้ต่างสมบมบรมเอาไว้ จะเป็นสเสบียงกลางให้เราได้อาศัยไปในภพนั่นนั้นไม่มีความขัดข้องหรือปืดเคืองในภพในชาติที่ตนได้ไปเสวยนั้นนั้นมีความสุขความจเจริญเป็นลำดับลำดับไปเขาทุกข์เรามองเห็นอยู่ด้วยตาเนื้อได้ยินอยู่ด้วยหูรู้อยู่ด้วยใจ แต่เราก็ไม่ได้เป็นทุกข์เหมือนอย่างเขาเขาเป็นนักโทษในเรือนจำเขาก็คนเหมือนเราแต่เราก็ไม่ได้เป็นนักโทษความทุกข์ความทรมานเหมือนอย่างเขาเรามาเกิดในโลกโลกเขามีความทุกข์ความลาบากแต่เราก็เป็นคนมีความสุขความเจริญเช่นเดียวกับเราอยู่ในเมืองนี้ เมืองนี้มีเดือนจํามีนักโทษโทษหนักโทษเบาเต็มอยู่ในตารางนั้นหมดแต่เราก็ไม่ได้เป็นนักโทษเหมือนอย่างเขานี่ลักษณะของผู้มาเกิดในโลกโลกจะเต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานเดือดร้อนกอตามแต่ท่านผู้มีอำนาจวาสนาบุญญาพิสมพานที่ได้สั่งสมมาจะต้องเป็นเช่นกับบุคคล ที่เห็นเขาเป็นนักโทษเห็นเขามีความทุกข์ความทรมาร์แต่ตนหาได้เป็นเช่นนั้นหนกลับเป็นผู้มีความสุขใน่้ำกลางแห่งคนที่กําลังมีความทุกข์ร้อนอยู่นั้นเรื่องของคนมีบุญเป็นอย่างนี้คำว่าบุญคือความสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขยืนก็เป็นสุขไปในภพใดชาติใดก็เป็นสุขนี่เรียกว่าบุญ ไม่มีความเดือดร้อนเป็นสิ่งที่ปาฏนาาแม้จะเกิดขึ้นในกายในใจของเราชั่วระยะเราก็ภาคภูมิใจแต่ทุกจะเกิดขึ้นชั่วขณะเท่านั้นก็รู้สึกว่าขยะขยะแยงไม่เป็นที่น่าปราถนาเลยแม้แต่สัตเรย์ฉานเขาก็กลัวดังนั้นเราจรึงไม่ควรประมาทในเรื่องของกรรมที่เป็นไปในทางชั่ว ว่าจะไม่ผลเป็นทุกถ้าเราเป็นผู้กลัวทุกแล้วเราต้องเป็นผู้กลัวต่อความเคลื่อนไหวของตนที่จะเป็นไปในทางที่ผิดให้มีน้ำหนักเท่ากันกับผลคือความถุกเหตุที่จะเป็นไปในทางความถุก <c oughs> ก็ให้มีน้ำหนักเท่ากันกับผลที่จะให้เราได้รับความสเสวยเป็นทุกผู้นั้นจะพยายามประครับประคองตนไปได้ จนถึงจุดหมายปลายทางวันนี้ก็เห็นใจทุกทุกท่านที่ได้อุตสาหมาจากทางกกลดังที่ดิฉพนานา ม, มาแล้วในเ น, นืองต้นตมาภาพในนามหมู่พนะกรุณขอขอบคุณและอนุมโมทนาต่อความอุตสาห์พยายามความกล้าเยียสลับของทุกทุกท่าน ท่อุตสาห์มาถึงจุดนี้งดูจนถึงสถานที่นี้ซึ่งเป็นผู้หาอรอย่างแล้วจงพยายามอบรมตนเพื่อความก้าวหน้าขึ้นไปเป็นนำนบทิ้งใดที่เป็นที่เราปรารถนาแล้วทิ้งนั้นจะไม่ทนจากวิสัยของผู้มีความขยันหมั่นเพียรอุตสาห์พยายามตามที่ เอาท่านทั้งหลายและอุตสาห์มาแล้วนี้ทางนั้นแนวภาษาเนี่ยก็ธรรมเทศนานี้อมอำนาจแห่งพระบารมของพระโพธิเจ้าและอำนาจแห่งพระธรรมพร้อมทั้งอำนาจแห่งระสงรวมเป็นพันธนาใจจงมีลิข า, าตตักดาลิภะอุภาพาระคับประก อ, องท่านทั้งหลายให้มีความดูเย็นเป็นสุข ปราศจากโรคภัยไอเจ็ดและอุปรสรรคใดๆให้มีแต่ความสุข ก, การสบายใจและการบำเผ็เป็นไปด้วยความราบรื่นโดยทัวหนหกันเธอ